ในเรือ่องที่คุอาจารย์บรรยายถึงตรงนี้นะคะยงก็มีความสังส่งสอนจาเพื่อให้ความเข้าใจละเอียดลึกซึ่งมากขึ้นว่าเพื่อเป็นกำลังใจของผู้ทํางานนะคะอาจารย์ว่าจุดมุ่หมายเราทราบแล้วในการทำควาดีช่้ตรงนี้นะคะ ม, ค ม, มันก็จะเกิดผลดีกับผู้จัดสรสื่ประชาชนในหมู่มากนะคะแต่สําหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาให้สำเร็จ ไ, ได้เนี่ยอ น, นิสงส์ที่จะเกิดโดยตรงเนี่ยจะค่ะ คืออย่างไรจะเข้าขาราชคือจริงๆในอานิสง์มีอานิสงคือสิ่งที่จะผลที่จะได้รับอานิสังสารผลที่จะได้รับออผลโดยตรงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทํางานหรือมุ่งมั่นหรือวรขวนขวายทุกจุดอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ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 จากที่มีความทีนี้คนเราเก่งแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันเพราะอีกด้านหนึ่งตนเองไม่รู้ก็จะเชื่อมโยงในส่วนที่คนอื่นรู้ก็จะรักกันสามัคคีกันแล้วก็มีความผนึกเป็นกำลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเชื่อมประสานสามคัคคีไม่ใช่แค่กายสามคัคคีด้วยเป็นจิตตสามัคคีด้วยทั้งปัญญาสามัคคีอุสามคัคคีภายนอกภายในได้เยอะมาก เนี่ยในส่วนจริงเมื่อพนึกกำลังกันกลมเกลียวกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ก็จะหมุนเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งดำเนินสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้อันนี้สง์งโดยตรงที่ตนเองจะได้รับจากการที่ตนเองได้มาฝึกหรือมาเรียนรู้มาศึกษาตรงเนี้ทักษะความรู้ความสามารถศักยภาพพฤติกรรมที่ตนเองไม่เคยได้เรียนรู้ก็ได้เรียนรู้ ที่ไม่ได้ก็จะได้มันจะได้ทั้งความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นความอดทนเพิ่มขึ้นสติก็มีกําลังมากขึ้นสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาความรอบรู้ค่ะเห็นไหมว่าไอจุดหมายหลักนะีพฤติกรรมทางกายก็มีการได้ฝึกผลพัฒนาได้มากขึ้นด้านจิตใจก็มีความเกล้ากล้าอาถารเป็นต้นมากขึ้นด้านปัญญาก็ได้ทั้งทักษะความรู้ความเข้าใจทั้งหลายมากขึ้นกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นก็จะตั้งมั่นอยู่ใน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 เป็นสิ่งที่งดงามด้วยมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายเห็นสิ่งเหล่านี้ก็พากันอ่านมูธนาพากันอนุรักษ์พากันรักษาพากันตามเกื้อหนุนช่วยเหลือทุกอย่างเพราะเป็นการทําการงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อต้องการปลุกมนุษย์ที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาจากการที่ทําให้คนไม่รู้ได้เข้าถึงความรู้จากคนที่เกียจคร้านให้เข้าถึงความเกล้ากล้าคนฟุ้งซ่านให้เข้าถึงสมาธิคนหลงลืมสติให้เข้าถึงสติคนไม่เชื่อมัน่นให้เข้าถึงความเชื่อมัน่น เทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายต่างพากันโมทนากุศลอย่างมากมายฉะนั้นกุศลเหล่านี้1ภายในกระแสชีวิตโดยตรงได้สอป้องกันบาปกุศลกรรมทั้งหลายไม่ให้มาเบียดเบียนด้วยชีวิตของท่านบุญนั้นก็ตั้งอยู่ในธรรมะด้วยตั้งอยู่ในสิ่งที่ดีงามด้วยฉะนั้นพยันอันตรายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลับเป็นทุกข์ตื่นเป็นทุกข์ฝันร้ายเทวดาไม่รักษาทั้งหลายเนื้อหามหายเลยใช่ไหม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 เพราะเราไม่ได้สร้างเหตุของความสมหวังการทําลักษณะเนี้จะทําให้มนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้ทําให้เขารู้ก็เข้าสมหวังแล้วจากที่ชีวิตเขาไม่มีหลักยึดทําให้เขามีหลักยึดเขาเข้าสมหวังไหมจากเขาที่ฟุ้งซ่านทําให้เขาตั้งมั่นเขาสมหวังหมดเลยนี้คือเหตุแห่งความสมหวังงั้นจงมุ่งมั่นในการทําไปแล้วเราจะเข้าถึงความสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะจะเห็นมใช่ใช่ มีอะไรอีกไหมมีไห ม, มอ่าถามดิไม่เป็นไรเบรกถามได้เลยไม่เป็นไรทวไม่ต้องกดก็ได้อ่าได้ได้อ่าเลยถามเลยเดี๋ยว